ไม่ถ้าว่าไงไมันจะหวานเท่านี้จะบอกวิธีสอนวิธีให้มันหวานทําให้มันหวานให้ฟัง <c oughs> อัมพาแปลว่ามะม่วงภาษาบดีเรียกอัมพาแปลว่ามะม่วง อัมพาคือหมายความไหมาหมายความถึกว่าเราพาไปนเรียกเรามัางม่วงคืออัมพาไปไหนเราก็พาไปคือตัวนี้แลหละไเนือ้อรองใจแต่มันโตกตน้อกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องพาไปงเรียกว่าอัมพา ทั้นต่างหากว่าเราไม่พาไปมันไม่ไปลองดูสิใครไม่พาไปมานี่ก็พามามาเจกุติปานี้แล้วกาบ ก, ก็พาไปอีกอตัวนี้อันนี้แหละที่จะทำให้มันสุขตัวนี้ทำให้มันสุขทำให้มันหวานคือตัวนี้แหละ วิธีทำให้สุกวิธีทำให้หวานเขาก็ต้องไปเก็บมาจากต้นเอาไว้ต้นเดียวมันหล่นก็นร่วงหล่นไปก็สัตว์จะไปกินมดัดต้องเอามาจากต้นมามาบ่มไว้ให้มันสุกเสียก่อนเอาต้องเอาโดยเอาลูกแก่มันได้หละมันแก่แล้วก็มาบ่มมันกิดสุก ทุกคร้านี้ก็กินหวานเนี่ยอะไรที่ทำให้มันแก่ทาให้มันบ่มมันสุกคือศรัทธาเบืนน้องต้นศรัทธาจะแก่กล้าหรือไม่กล้ากับตัวศรัทธาทำอะไรทั้งหมดถ้าจะัทธาไม่มีแล้วไม่แน่นอน ทำไม่มั่นคงต้องมีศรัทธาไปก่อนอยังค่อยทำได้อยางทำไรทำนาทั้งเสือก็ตามเถอะถ้าไม่เชื่อมั่นว่าจะได้ผลแล้วขี้เกียจทำทางกาลเวลาคิดอยากทำก็ทำไม่คิดอยากทำก็แล้วไป เพราะนาทำสมาธิเหมือนกันถ้าเราไม่เชื่อมั่นว่ามะม่วงแล้วมันจะสุก ข, ขือตัวของเราเนี่ยนะตั้งมั่นทีนี้แล้วจะต้องได้ศีลธรรมขึ้นมาให้ตั้งใจเชื่ออย่างนี้ถึงจะได้ผลกเหมือนเขาเอามะม่วงมา บ, บ่ม เอามาบ่มตั้งไว้ที่เดียวไม่ต้องย้ายไปย้ายมาที่ไหนล่ะไว้ที่เดียวที่เก่านะ่ะเครื่องอบอุ่นมาใส่เลอวาถึงไม่อบอุ่นก็เถอะเมื่อบผบมแล้วมันน่สุกเองมันออกถ้าต้องการเร็วก็เครื่องอบอุ่นมาใส่ถ้ามันอบอุ่นยังยังสุกเร็วแต่ว่าสุกไม่หวานนั่นแหละสุกอย่างนั้นสุกไม่หวาน มันสุกค่อยสุกไปโดยกำลังะมาองมันมีรสชาติดีหวานดีการทำสมาธิเพราะนานกับเงื่อนกันถ้ารีบร้อนนะไม่เป็นหองถ้าหากว่าเราค่อยทำคือว่าทำให้มันเฉยเฉยอย่าไปรีบร้อน รีบว่าเราไม่เป็นต่ำอยากจะให้เห็นอยากจะให้เป็นอยากให้มีอะไรต่างๆให้มันเกิดขึ้นเลยไม่เป็นอันนี้ก็ฉันเดียวกันทําใจให้เสมอพิจารณากายนี่แหละเห็นสภาพตามเป็นจริงคือมันเป็นจริง เห็นธาตุสี่เป็นจริงถ้าอยากจะให้มันรู้อยากก็มาเห็นรีบร้อนเกินไปแล้วเดือดร้อนวุ่นวายไม่ได้มันเป็นจริงอย่างไรมันนี้ให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นอย่างพระพุทธเจ้านะวะยาถาพุตังสมปรายดัธบำงคือเห็นตามเป็นจริงอย่างไรธาตุสี่คือตัวของเรา มันเป็นจริงอยู่แล้วคือธาตุของเราเนี่ยธาตุดินก็เป็นดินต่างสภาพเขามันขอให้เชื่อมันลงตั้งใจแน่วแน่เต็มที่ที่มันเห็นว่าเป็นดินของแข้งแข็งเรียกว่าดิน อะไรทั้งหมดของเย็แข็งก็เรียกว่าธาตุอีนึงนั่นคิดตัวของเราธาตุน้ําของเร็วๆก็เรียกว่าธาตนะุน้ำทั้งสองอย่างนี้แหละมันเป็นหลักส่วนลมเร็วไฟเนี่ยตามมาตั้งหากลมเป็นของปัน่นป่วนไปมาสารพัดทุกอย่างในตัวของเรา มันปัน่นพวนพ้นผ่านอยู่ในตัวของเราเรียกว่าลมพัดขึ้นบงบนลมพัดลมข้างล่างอันที่มันเริมมันเอื้อมขึ้นมาเนี่ย น, นะเรียกว่าลมพัดขึ้นขึ้นบนลมพัดรเมืองล่างก็คือมันเผยย่อกไปนั่นเผยลมออไปนั่นลมพัดลมข้างล่างลมพัดไปตามตัว ที่ทําให้กายเบาอ่อนนุ่มนวลนั่นมันพัดไปตามตัวนั่นแหละลมในซองท้องลมในใสามันร้องปูดเก็กกูกเก็กนั่นแะมันบวดกูกเก็วเกิกนั่นแหละลมในตัวในท้องในใสาลมหายใจเข้าออกงั น, นหายใจเขา้าหายใจออกนี่เพียงที่เพีย ง, ยงหายหายใจเข้าจออกเพียงแค่กอดเดิน แต่มันก็จจายไปมันลงมีส่าเนี่ยทั่วตัวแล้วพอหายกระจาจมันก็กระเทือนหมดเลย <Yeah. S 1> กระเทือนไปทั่วทั้งทังทางกายแล้วไม่ได้หายใจตลอดไปถึงเท้าถึงศีสาเลยหรอแต่มันก็เคือนกันเองนี่มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละ มันธาตุลมมนนไรธาตุไฟก็อบอุ่นอยู่ในดวงของเราอธิบาย็นกล้องธาตุทั้งสี่มันมีอยู่ในดวงของเราแล้วเราไปมายืนเดินนั่งนอนไปมาได้นี่เพราะธาตุทั้งสี่ให้เห็นธาตุสี่เท่านั้นแหละเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรครับันนี้ปรุงแต่งเองเ เราพิจารณาอย่างนี้เห็นชัดตามไปจริงอย่างนี้ไม่ต้องเห็นด้วยนิมิตไม่ต้องเห็นของด้วยภาพแต่ว่ามันจะเป็นมันก็เป็นเองเห็นด้วยภาพด้วยมิตนะแต่ว่านั้นไม่เป็นของสำคัญอะไรเห็นภาพเช่นว่าเราพิจารณากายของเราเนี่ ันพิจารณาไปเห็นเวทเดียนเลยปากรดเป็นจมปลวกขึ้นมาเลยทีเดียวเป็นหัวปลวกขึ้นมาทีเดียวถ้าน้ามาเห็นเป็นแม่น้ํำรําทานไปเลยทีเดียวอันนั้นหลงอลยนะมักหลงเห็นเช่นั้นมักหลงเห็นแล้วมักไปจับอันนั้นเสียอันเห็นด้วยสภาพตามเป็นจริงนี่แหละมันเป็นจริงครับพุทธเจ้าดันเอาตัวจริงนั่น เห็นเป็นจริงอย่างไรตามเป็นจริงอย่างไรนั่นแหละเป็นของจริงทีเดียวอันภาพเป็นของหลอกให้เรารุ่มหลงแต่คนชอบคมหลงันชอบคนเราถ้าคู่ของกงก็ไม่ชอบหลงเท่าไดยิ่งอยากหลงคนทั้งหลายในโลกนี้เป็นยังไง หลงมัวเมาพอแรงแล้วกัยิ่งมีคนมาหลอกมาลวงยิ่ยงไปใหญ่เลยจึงว่าเห็นตามเป็นจริงอย่างไรคือเห็นมันเป็นจริงอย่างนั้นตามเป็นจริงนั้นเรียกว่าบ่มมันสุกแล้วนะั่นกินอร่อยแล้วนะ่ะันเป็นไปดงนั้นอร่อยเลยทีเดียวหวานชำ่ำสบาย นั่นแหละบ่มม่วมงต้องบ่มวิธีนี้ <c oughs> นนบ่มวิธีอื่นไม่ได้กินแล้วกินก็ไม่ไม่อร่อยไม่หวานบ่มวิธีนี้หวานทุกคนทีเดียวมันไม่ต้องไปแย่งกันของใครของหวานหวานทั้งนั้นทุกคนมีม่วงทุกทุกตัวคนแล้ว คนเราน่ะไม่เหมือนลูกไม้ผลไม้ต่างๆลูกไม้ผลไม้แก่เข้ามาแก่เข้ามาบรรดาลำต้นหรือรากเหงาต่างๆเอามารวมมาแห่งเดียวคือเมลคือมเมล็ดนั่นเอง เมื่อแก่มาแล้วเอามารวมรวมลงสู่เมล็ดอั่งเดียวหมดคนเราได้แก่มายิ่งปรมสัตไม่เหมือนมากมายเลยไม่เหมือนต้นไม้เลยสารพัดจะจะยุ่งจะยืงสารพัดจะต่วุ่นวายคิดถึงโน่นั้งนี้อะไรสารพัดทุกอย่าง ต้นไม้เขารวมเป็นยางมะม่วงนี่นะเอามารวมไม่ได้เม็ดเดียวมดลากก็อยู่ในนั้นใบก็อยู่ในนั้นกิ่งก้านจะขายนั้นมดในผลที่สุดมะม่วงใ น, นนั้นยังมีมเมล็ดอีกตั้งมันอยู่ในนั้ น, น, นแต่ไม่ปรากฏ ต่อเมื่อใดคนเอาไปไว้ในดินเอาไปฝังไว้ในดินถูกดินถูกน้ำชุ่มเข้ามาแตกออกมาเป็นใปเป็นรากเป็นใยมาเป็นต้นเป็นลำเท่าเก่าแต่คนเราไม่อย่างนั้นแก่มาได้ยิ่ง ข่วงขวงสาขาปีกไว้ไว้มากมายหลายอย่างรวมจิตไม่เป็นจึงว่าอธิบายฟังวันก่อนว่าคนมีอายุมากโยจะวัฏะสะตังชีเวเอกหังชีวตตาเชโย ันคนที่มีอายุมากแล้วโยชาวจาวาสาตังชีเวอาพสังพยาพยังกันวะคนเราไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายไม่เห็นความเสื่อมจิตไปมีอายุตั้งร้อยปีมันก็ไม่มีดีอะไรเลยสู้เด็กเกิดในวันนั้นไม่ได้เยกาหางคีอตาที่อยู่ปัชโตพยาพยัง เกิดในวันเดียวเท่านั้นะเรารู้จักความเกิดความดับความชินความเสื่อมของสังขารร่างกายประเสริฐกว่าผู้มีอายุนี้อีกท่านเอาคุณธรรมม น, นต่างหากท่านอายุมากจึงว่าคนมีอายุมากสั้งรวมจิตใจไม่เป็นจิตใจไม่อยู่ในตนตัว ก็ได้ได้เชื่อว่าไม่มีประโยชน์ น, นั้นเรียกว่ามะม่วงไม่หวานบ่มไม่เป็นถึงยังไงยังไงพวกเราต้องพิจารณาอย่างนี้ให้เห็นเป็นจริงอย่างที่ว่ามัะ ม, ม่วงคือตัวของเราให้เห็นว่านี่แหละ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 เมื่อมันจะตายยังค่อยรวมเข้ามาเหมือนกับผลไม้เอาไว้ให้รวมได้ก่อนถ้ามันรวมเข้ามาอยู่ในที่เดียวแล้วอันนั้นแล้วแต่คนจะจะปลูกหรือไม่ปลูกก่นน่ะไม่ปลูกก็ไปทิ้งเถอะอย่าไปลงเป็นผูกดินตรงน้ำมันก็เหยวแหยงตายไปเลยถ้าหากว่าเราไม่รู้ตัวไม่รู้จัก มันมันจะงอกอีกเอาไปฝังดินไว้ถูกน้ำชุ่มเข้ามาแตก ง, ง อ, อกมาเท่าเขาให้มันรวมลงได้เก่อนมันรวมลงในที่เดียวซะก่อนเราจะตัดก็ตัดง่ายเราจะฆ่าก็ฆ่าฆ่าได้เร็วเหมือนกับผู้ภาคษาเ็าสืบสวนคดีต่างๆ ตั้เป็นฝึกเบลเลอร์การสอบสวนก็ได้มาแล้วเวลาเขตัดสินเข้ามานั่งมันหลังอะนะนั่งไอ้ที่สารเนะ่ยมันหลังนะอ่านคาประกาศตัดสินนิดเดียวเท่านั้นนะลงที่เดียวเลยนั่ น, นะนแหะตัดสินได้เราจะตัดสินได้หรือไม่ได้ก็รู้จักตรงจิตนนะั่นแหละ ต้องจะเอากันจริงๆนะจังทัดสินได้หรือไม่ทัดสินจะอยากจะปล่อยวางลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างกระทัดสินได้เชื่อมันของตนเชื่อมันในใจของตนห่ะไม่มีทิกขีพยานเพียงพอแล้วนี่ตัดสินตรงตรงนี้แหละเราจะเกิดอีกหรือไม่เกิดทัดสินตรงตรนั้นแหละถ้ามันเกิดมันก็ต้องยุ่งมันยังเกี่ยวข้องผูกพันเนี่ย เกี่ยวมากก็ต้องเกิดมากเกี่ยวพันเล็กน้อยอเขาต้เกิดเกิดเกิดน้อยฉาดสบายไม่มีเกี่ยวพันเลยก็เด็ดขาดละชาติละภพได้เลยนั่นแหะจี่ว่าตัดสินในทีเดียวถึงว่าในนีนก็ให้รวมได้ดก่อนมจะตัดสินใดโดยประการใดก็แล้วแต่เราต้องต้องนัด เอาละท่านี้ละเอานั่งบง่ประม่วงบ่มเลยที่เดียวนี่นะนั่งให้มันคงที่อยู่นี่นะไม่ต้องไปไหนเมื่อกายอยู่อย่าให้ใจไปให้อยู่ดกด้ เมื่อใจมันวิ่งว่อนไปมาอยู่นะมันต้องอาศัยหลักเป็นเครื่องอยู่คือมันไม่เห็นใจใจมีตนมีตัวนี่ต้องอาศัยหลักคือคำบริกรรมเอาพุโทโธไว้ในใจพุโทโธนี่ดีนักหนะาใช้ทำพัดปราบได้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเราตั้งแนลสตีตั้งแนวในพุโทโธอเดียวสามารถที่จะระงับทุกโศกโลกภัยทั้งมหมดหมดถ้าไม่เชื่อลองดูดิความโกรธชุนเฉียวเกิดขึ้นมาตั้งสตินึกถึงพนะุทโธเน่ยเดี๋ยวก็ลอายหล้วอายพุที่เจ้าหล้วอายพูทโธหายหมด นี่ยพุโทโธดีอย่างนี้เลยอันที่มันไม่หายเพราะไม่ตั้งสติกำหนดพุโทโธเฉยๆหรอกลืมพุโทโธเซะพุโทโธเลยไม่อยู่กับเราพุโทโธพู้ไดเจ้าหายหมดมันก็มีแต่กิเลสเข้ามาครอบงำหมดจริงมีแต่ขมโกรธวุ่นวายหัดจรีงถ้าพุโทโธตั้งสติกำหนดเท่านั้นพุโทโธมาอยู่แทนที่หรอก ความโกรธเดยหายจากใจหมดอย่าลืมให้ระดึกถึงอยู่เสมอจึงจะเป็นผลํำเร็จประโยชน์แก่ตัวนองต์เพราะเป็นภัยอันตร า, ายอย่างยิ่งความโลภความโกรธของหลงเป็นภัยอย่างยิ่งถ้าหากว่าเรา ไม่มีเจตีตั้งอยู่ในพุโทโธแล้วสารพัตแต่จะมันจะทำตัวเราเป็นไปต่งางๆนะันแะจกระทั่งจิดประทุษได้คนอื่นประหัดประหารค่าฟันทุกประการออกจากตัวเดี่ยวนั้นแนหะ เอาพุโทโธไว้ให้มันตั้งสติกำหนดให้มันลงจริงๆจังในในที่เดียวนี่แหละคือกายอยู่แล้วใจมัต้องให้อยู่เหมือนกันมันพาวเราวิ่งวอนมันมากมายจังมากเกิดมาจะมีอายุเท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบทั้งที่เกิดมาไม่เห็น ดูพุโทโธและสักทีจิตเห็นเลยไอสติควบคุมจิตไม่อยู่ไม่เห็นจิตเลยไม่เห็นพุโทโธเลยพุโทโธเนะี่ยคือจิตเอานั่นไปก่อนเอาพุโทโธพุธโทโธในใจในในจิตตอนนั้นเน่ยเมื่อมันออกจากนั้นไปออกจากพุโทโธทั้งไปมันไปแล้วกัน ไม่มีที่ตีควบคุมมันไปแล้วเทวตีควบคุมมันก็อยู่ในวัฏฏะเอาหน่นละล่ะเป็นจิตเสียก่อน ข, อขันเมื่อคุมอยู่แล้วพุทโธจะหายไปค่ะนี่เจีงเจียงเหลือเจีจิตเจียงว่าตัวพุทโธนั่นให้เป็นสื่อเบื้องต้นให้จิตมาอยู่นั่นเสียก่อน